เมื่อวานได้พูดถึงธรรมะที่เป็นคุณธรรมที่ช่วยบ่มวิมุติที่ยังไม่แก่กล้าให้แก่กล้าหมายถึงว่าข้อปฏิบัติหรือแนวทางที่จะทำให้บรรลุมรรคผลห้าประการนั้นก็คือทวนนะหนึ่งความมีมิตร ด, ดีมีสหายดีก็คือมีกัลยาณมิตรข้อสองเป็นผู้มีสินดีข้อสา เป็นผู้ได้ฟังกรถาวัตถุสิข้อ4มีความเพียรข้อ5มีปัญญาเมื่อวานก็ได้กล่าวถึงความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีความเป็นผู้มีศีลและได้กระถาวัตถุไปไป5ข้อแล้วนะกระถาวัตถุข้อที่หนึ่งะนะว่าด้วยความมักน้อยข้อ2สันโดษ ข้อ3วิเวกข้อ4ไม่คลุกคลีข้อ5าปรารบความเพียร น, นี่ก็มาขึ้นกระถาวัตถุข้อที่6เป็นต้นไปกระถาวัตถุข้อที่6ก็คือศีลข้อที่7ก็คือสมาธิข้อที่8ปัญญาข้อ9วิมุตข้อ10วิมุตติยานัทสนะในสีลักระถาเป็นต้นนั้นเนี่ยนะ พูดงเศนในหน้า405ย่อหน้าล่างสุดบอกว่าศีลกถาเป็นต้นนั้นนะนะคือศีเศนนี่แบ่งออกเป็นสองอย่างคือโลกิยะศีนกับโลกุตระเศนอีกในหนึ่งก็บอกว่าศีนที่ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะกับเศนที่เป็นอนาสวะคือไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโลกิยะศีนหมายถึง ปาริสุดที่ศีลสี่หรือจตุปาริสุดที่ศีลความบริสุทธิ์ของศีลสีประการมีอะไรบ้าง 1. ปาติโมคสังวร 2. อินทรียสังวร3ปัจยะสันนิสิตศีลสอาชีวปาริสุดที่ศีลเขาเรียกว่าจตุปาริสุดที่ศีลสี 4, ประการจตุปาริสุทธ่ศีลส 4, ประการนั่นแหละคือศีลวิสุดที่อันเดียวกันเนาะความบริสุทธิ์แห่งศีล ความบริสุทธิ์คือศีลที่บริสุทธิ์ได้เพราะอะไรเพราะกําจัดโทษคือความทุศีลออกไปได้ที่เรียกว่าศีลเมื่อวานได้กล่าวไปบ้างแล้วใช่ไหมว่าอะไรคือศีลเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามศีลแล้วถามว่าศีลนี่มีลักษณะอย่างไรลักษณะของศีลก็คือสมาทานังควบคุมกายวาจาไม่ให้เกลื่อนกลนกระจัดกระาย อุปทาระนังคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คือลักษณะของศีลมันลักษณะของศีลผู้ที่รักษาศีลจะเป็นผู้ที่มีกายวาจาไม่เป็นไปกับบาปและอกุศลไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายด้วยอำนาจกิเลสแล้วกายวาจาใจาอ น, นั้นเนี่ยสามารถที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงคือคนถ้าไม่ดีเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีจริงเนี่ยถึงได้กุศลธรรมชั้นสูงมาก็รั่วหมด เรียบเหมือนว่าถ้ามีนิสัยนักเลงการพนันที่พ่ายแพ้การพนันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงจะมีรายได้เท่าไหร่นี่คิดว่าจะเหลือไหมไม่เหลือโดยที่สุดแม้กระทั่งพระราชาโบราณเนี่ยนะมีบ้านเมืองอย่างแพ้พนันเสีหมดเมืองเลยเพราะอะไรเพราะว่าความที่เป็นผู้มีนิสัยนักพนันฉันใดผู้ที่ทุศีนเนี่ยฉันนั้นเหมือนกันในภาละบัณฑิตสูตรกล่าวถึงผู้ที่ทุศีล หรือผู้ที่เป็นคนพาเนี่ยนะทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจผู้ที่ประกอบทูจริตนั้นพระองค์ตรัสว่าเลวร้ายยิ่งกว่านักพนันอีกเสียหายยิ่งกว่านักการพนันนักเล่นการพนันเนี่ยเสียหายแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่ผู้ที่ทูศีลเนี่ยเสียหายทั้งชาตินี้ด้วยเสียหายทั้งชาติหน้าด้วยตอนต้นดูเหมือนประสบความสาเร็จแต่ตอนปลายเนี่ยล้มเหลว มันศีนเนี่ยเป็นคุณธรรมที่รองรับกุศลชั้นสูงถ้าหากว่าเราไม่มีคุณธรรมคือศีลรองรับแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นไม่สามารถจะคงอยู่ด้วยสมาธิไม่สามารถจะคงอยู่ได้ปัญญาก็ไม่สามารถคงอยู่ได้เพราะคนทุศีลจะนำมาซึ่งความลำบากใจถ้าลำบากใจอย่างเดียวยอมว่าจะสงบได้ไหมจะเป็นสมาธิได้ไหมก็ยากเป็นสมาธิไม่ได้ เพราะอยู่ด้วยความฟุง้งซ่านอยู่ด้วยความเดือดร้อนเขาเรียกว่าประพฤติกินแหนงใจตัวเองรักษาศีลเนี่ยถ้ากล่าวให้ตรงเนี่ยเรารักษาเพื่อเอาใจคนอื่นหรือว่ารักษาเพื่อเอาใจตัวเองถ้ากล่าวให้ตรงรักษาเพื่อเอาใจตัวเองจะได้เลิกกินแหนงแข็งใจตัวเองสักทีจะได้มีความเคารพในตัวเองได้เพราะคนทุศีลไม่มีความเคารพในตัวเองแต่อาศัยตัวนี้มีมานะนี่ได้ แต่ว่าไม่มีความเคารพตัวเองจริงๆเพราะว่ากินแหนงแคลงใจตัวเองระลึกได้เสมอว่าเราก็ทำในสิ่งที่น่ารังเกียจไปเราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำลหลายคนนี่เป็นอย่างนั้นมันก่อนโยมเข้ามาสารภาพอยู่คนหนึ่งผมเนี่ยมีแต่ความกินแหนงแคลงใจตัวเองผมไม่สบายใจมาตลอดเลยครับเอาก็ทาไม่ดีมันก็อย่างนี้อยู่แล้ว และในการกระทําไม่ดีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอึดอัดใจเต็มไปด้วยความลําบากใจในภายหลังคนทุ่ศีลเนี่ยเป็นอย่างนั้นศีลไม่ดีนี้เป็นอย่างนั้นถามว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเราศีลดีหรือไม่ดีสังเกตได้ไม่ยากสิ่งใดที่เราทําไปแล้วลําบากใจในวันหลังสิ่งนั้นแสดงว่าใช้ไม่ได้พูดคดําใดแล้วลําบากใจในตอนหลังคําพูดนั้นก็เลวมากใช้ไม่ได้ต้องพยายามฝึก สมาทานพฤติกรรมและคําพูดโดยที่ตัวเองไม่ต้องเสียใจในวันหลังสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกอยู่แล้วเขาเรียกว่าอบรมศีลใช่ไหมเคยได้สวดพุทธคุณไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นผู้ที่อบรมแล้วมีศีล อ, อันอบรมแล้วของเราก็ต้องมาค่อยๆ อ, อบอบรมเนี่มาธาตุสังเกตตามศสาบก็คือมาจากคําว่าอบกับคําว่ารมอบใช่ไหม อบก็ทำให้มันนิ่มเคยอบหวายไม่เคยเห็นหวายที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับนี่เขาจะเข้าอบแต่เป็นอบไอ้น้าเพื่อให้นิ่มถ้ารมก็รมควันใช่ไหมไม่ให้มอดเป็นต้นมันกินอนะ่ะทั้งอบทั้งรมก็เลยเรียกว่าอบรมแต่ภาษาทั่วๆไปแปลว่าทำให้มีขึ้นนะอบรมนี่แปลว่าทำให้มีขึ้นทำยังไงที่เราจะอบรมกายวาจาให้เป็นไปกับศีลเมื่อกายวาจา ของเราเป็นไปกับศีลเราจะเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเป็นผู้ที่น่าเคารพเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีดังั้นคนที่มีศีลคือผู้ที่มีพฤติกรรมที่ตัวเองไม่ลำบากใจในวันหลังละเลึกแล้วก็มีแต่ความสุขสมาัดศีลเนี่ยท่านนับว่าเป็นเครื่องปลื้มใจอย่างหนึ่งนะในบรรดาเครื่องปลื้มใจทั้งหลายใครที่ละลึกได้บ่อยและปลื้มใจบ่อยเรียกว่าเป็นผู้มีศีล แต่ที่น่าแปลกว่าหลายท่านบอกว่าเข้าสมาทานศีลมานานแต่ทําไมละเลิกแล้วไม่ปลื้มเลยละเลิกแล้วก็เฉยเฉยแสดงว่าไม่ได้รักษาที่คุณธรรมคือศีลใช่ไหมไม่ได้รักษาเจตนาศีลไม่ได้รักษาเจตสิกศีลไม่ได้รักษาสังวรศีลอวีติกามาศีลถ้าเขารักษากุศลศีลจริงๆเข้าจะถึงความปลื้มใจแต่ถ้าเขารักษาแต่สติ๊กเกอร์ศีลถ้าอย่างนี้ก็เศร้าใจนะเนี่ย เพราะว่านึกไปนึกมาก็ศีลไม่ค่อยมีมีแต่ชื่อเนี่ยนะศียร น, นี่ต้องเป็นกุศลโดยส่วนเดียวใช่ไหมกุศลศียข้อที่หนึ่งเจตนาที่เว้นจากการฆ่ามีชีวิตตินซีเป็นอารมณ์ว่าเจตนาที่เวน้นอย่างเราทั้งหลายเนี่ยถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเราสามารถมนสิการปรารบได้ว่านี่คืออารมณ์ของศีลของเราทั้งนั้นเลยเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นอารมณ์ของศีลของเรา พันเราเนี่ยมีเจตนาที่จะเว้นจากการฆ่าบางคนเนี่ยนะเขบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราก็ไม่เห็นต้องฆ่าอะไรเพราะันเราก็มีปกติไม่ฆ่าอยู่แล้วเราก็มีศีลอยู่แล้วเพราะเรามีปกติไม่ฆ่าเราก็นั่งอยู่เฉยๆของเราเรื่องก็เรื่องของเขาไม่ฆ่าเนี่ยเพราะมันไม่ได้ปัจจัยใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่ฆ่าเพราะไม่ได้เหตุอันสมควรถ้าได้เหตุอันสมควรก็พร้อมที่จะสั่งทหารหรือสั่งฆ่าหรืออาจจะลงมือเองก็ได้เป็นต้น ขันการสมาทานศีลเนี่ยจะปรารภว่าด้วยเหตุใดก็ตามจะด้วยปัจจัยใดก็ตามอะไรจะเกิดขึ้นขอรักษาเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าตอนนี้และตอนต่อๆไปบางคนก็บอกขอรักษาชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ขอฆ่าชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งของเราเอาเท่านั้นพอไหมไม่พอนะชีวิตของเราไม่ได้มีวันเดียว ก็สมาทานศีนให้เป็นไปบ่อยๆขอทุกๆวันเลยทุกๆเวลาทุกๆนาทีว่าเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าไม่มีอันนี้เรียกว่ารักษาเจตนาศีน ร, รักษาเจตนาเดิมของเราว่าเราจะไม่ฆ่าจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ฆ่าสมาทานยึดถือเจตนาอันนี้ว่าเป็นทรัพย์ที่จะต้องประพฤติกระทาให้ถึงความงอกเงยขึ้นกระทำให้เจริญขึ้นกระทาให้มีมากขึ้น กระตุ้นตัวเจตนาศีลตัวนี้ให้มีบ่อยๆให้มีมากๆศีลตัวนี้จะเป็นทรัพย์จะเป็นอริยซัพย์ของเราวันๆนหนึ่งเรามีชีวิตของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์ไม่ใช่น้อยเราคงแยกออกนะว่าสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยมันมีแค่สองอย่างไงโลกนี้มันก็แบ่งเป็นสองอย่างคือสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตวันหนึ่งเราคิดถึงสิ่งมีชีวิตก็ไม่ใช่น้อยแต่น้อยที่จะคิดถึงศีลของตัวเอง โดยส่วนหนึ่งนะคนไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจริงที่จะเว้นจากการฆ่าเพราะไม่มีเจตนาที่แท้จริงเนี่ยคิดถึงสัตว์อื่นก็เลยไม่คิดถึงศีลแต่ถ้าสัตว์อื่นนั้นสร้างความเดือดร้อนให้เราเอเราพร้อมที่จะเห็นด้วยกับผู้ที่ไปฆ่าสัตว์ที่สร้างความเดือดร้อนให้แกเราสมมติถ้าอย่างถ้าเราศีลไม่ดีเนี่ยนะเขามีโครงการรณรงคายุง่ง ถ้าเราไม่สมาทานศีลให้ดีเราเห็นด้วยเลยเออฆ่าก็ดีนะเราจะได้ปลอดภัยอายุเราจะได้ยืนขึ้นเห็นด้วยกับการฆ่าทันทีเลยอันนั่นแปลว่าเราไม่มีศีล น, นะศีลเราไม่ดีเลยมีหมูที่มันติดเชื้อโรคจําเป็นต้องฆ่าหมูเหล่านั้นอะ่ะที่มันมีเชื้อโรคเราเห็นด้วยฆ่าเลยฆ่าเลยเพราะมันจะนําโรคมาสู่เราเดี๋ยวเราจะตายบางพวกก็บอกว่าเอาโรคมันติดอยู่ที่ไก่สัตว์มีปีดจําเป็นต้องฆ่าบอกเห็นด้วยทันทีเลย ไอการที่เราเห็นด้วยนี่ประกาศเลยว่าเราเป็นคนไม่มีศีลอะไรหรอกที่เราไม่ฆ่าเพราะไม่ได้ปัจจัยหรือไม่ได้สมาทานศีลอะไรจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะรักษาศีลจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ปลื้มใจเลยบอกปานาติปาตาเวรมณีก็พูดยังกับว่าให้มันหมดไปวันๆหนึง่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักษาตัวเจตนานั้นจริงๆถ้ารักษาเจตนานั้นจริงๆเราจะปลื้มใจปรารบชีวิตของสัตว์ใดๆก็ไปสวรรค์ เพราะอะไรเพราะเราสมาทานกุศลศีลกับทุกๆอย่างกับทุกๆอารมณ์เห็นคุณไพฑูตก็นึกถึงศีลได้เลยเพราะคุณไพฑูตมีชีวิตใช่ไหมแล้วก็นึกถึงว่าเออมีชีวิตนั้นเราก็รักษาเจตนาอันนี้ขึ้นกับทุกๆอารมณ์ทุกๆอย่างที่เราคิดถึงจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามการสมาทานศีลข้อที่หนึ่งมันเป็นบาตรให้เจริญเมตตาได้เพราะว่าเจตนาศีลตัวนี้ที่เว้นจากปานาติบาตก็ประสงค์จะให้สัตว์นั้นมีชีวิต ยืนยาวนานผู้ที่ให้ชีวิตเป็นทานตัวเองจะเป็นผู้มีส่วนแห่งชีวิตยืนยาวนานแต่ถ้าผู้คิดเอาชีวิตของสัตว์อื่นก็เป็นเหตุให้ชีวิตของตอนในอายุสัน้นเราจะเห็นว่าสัตว์บางพวกเกิดมาในโลกอายุสัน้นอายุสั้นอันนั้นเกิดจากเจตนาเอาชีวิตของสัตว์อื่นสัตว์ใดที่เกิดมามีชีวิตอายุยืนยาวนาน นั่นเป็นผลแห่งบุญที่เว้นจากชีวิตของสัตว์อื่นเป็นเจตนาที่ประสงค์จะให้ชีวิตสัตว์อื่นมีอายุยาวนานเราก็สมาทานตัวนี้ให้บ่อยๆและลึกถึงบ่อยๆขอสัตว์จงเป็นผู้มีชีวิตยืนยาวนานสุขีทีคายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืดก็ลักษณะนั้นเป็นลักษณะของเจตนาที่เป็นศีลเพราะเจตนาที่เป็นศีลไม่คิดเอาชีวิตของสัตว์อื่น รักษาเจตนาตัวนี้ให้ดีรักษาศีลหรือรักษาชีวิตของสัตว์อื่นกันแน่ตกลงสรุปรักษาศีลแต่ศีลอันนี้มีชีวิตของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์ก็รักษาเจตนาอันนี้บ่อยๆทีนี้เขามีคําถามว่าคิดวันละครั้งก็พอพอไหมไม่พอคิดวันละกี่ครั้งดีสุดแท้แต่จะนึกได้ใช่ไหมนึกได้เท่าไหร่ก็ควรจะนึกเท่านั้นนั่นแหละนึกให้บ่อยๆนึกให้มากๆ เขาไม่ได้จริงๆก็หลังจากตื่นนอนกับก่อนนอนก็ยังดีแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะทุกครั้งที่มนุษย์การถึงชีวิตของสัตว์อื่นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีชีวิตก็ระลึกถึงศีลท่านนึกถึงใครหรือบุคคลใดก็ตามก็นึกถึงศีลของตัวเองให้ได้ในทุกชีวิตเลยนะโดยที่สุดเนี่ยระลึกถึงศีลแม้กระทั่งในยุงในมดในปลวกในแมลงเป็นต้นบางคนคิดเลยไปอีกถ้าปลวกมันกินบ้านจะว่าอย่างไง จะเอาศีลหรือจะข่าหลวกก็มาปรึกษาแต่มาว่าอย่างนี้มาก็บอกว่าโยมรักษาศีลหรือว่าโยอมจะรักษาพวกทรัพย์จะเอาทรัพย์ภายในไว้หรือจะเอาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกบางทีมันไม่ค่อยไปด้วยกันเนี่ยนะจะเอายังไงดีบางอย่างก็เอาได้ทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกใช่ไหมยอมเขาบอกว่าคงเอาทรัพย์ภายนอกเอาไว้เอาทรัพย์ภายนอกไว้ก็คือเอาอะไรเอาบ้านเอาไว้ใช่ไหมขอเสียศีล เราจะได้สมาทานใหม่แปลว่าขอตัดหัวตัวเองจะได้ต่อใหม่อีกทีเชื่อมมาหลังก็ได้นะนะก็น่าเห็นใจเนอะก็คือวิจารณญาณไม่ดีว่าอะไรคือทซั์เห็นแก่โภกท้ัพย์แต่ก็เสียอริยซัพย์ศีลนี้เป็นอริยซัพย์มันก็ตั้งใจรักษาให้แรงกล้าเถอะมันต้องมีทางออกสักทางหนึ่งที่เราไม่ต้องไปเสียศีลจะต้องมีวิธีแก้ปัญหาโดยที่เราไม่ต้องเสียศีลจนได้ สรุปว่ามีเหตุผลใดจําเป็นที่เราต้องตายเนี่ยมีไหมเห็นในโลกเนี้ยมีเหตุผลว่าเราต้องตายยอมว่าดีไหมมีเหตุผลสรุปว่าเราต้องตายว่างั้นเถอะดีหรือไม่ดีมันไม่มีเหตุผลไหนที่เราสมควรตายหรอก <c oughs> ในโลกเนี้ยนะตัวเราเองนะถ้าพูดแบบตรงอรง น, นะ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ใด <c oughs> เหตุการณ์หนึ่งขึ้นที่เราจะต้องสละชีวิตมันไม่มีเหตุผลอะไรขนาดนั้นหรอกแต่นี้ก็เหมือนกันถ้าเราเจตนาฆ่าสัตว์อื่นก็เท่ากับว่า เจตนาฆ่าตัวเองในอนาคตสัตว์อื่นที่เขาตายเพราะกรรมเก่าของเขาเป็นตัดใ จ, จให้เขาอายุสัน้นเขาเห็นหน้าเราเราก็เลยคิดฆ่าเขาเพราะกรรมเก่าของเขาเป็นตัดใ จ, จขณะเดียวกันเราก็มาสร้างกรรมใหม่เพื่อให้ชีวิตต่อไปอายุสัน้นสองคนนี้ใครน่าสงสารน่าสงสารเสมอกันสัตว์นั้นเขาก็กรรมเก่าของเขาเป็นตัดใ จ, จให้ผู้ใดเกี่ยวข้องกับเขาคิดแต่จะฆ่าเราเองก็ทําเหตุใหม่เพื่ออนาคตก็ ถูกฆ่าคนที่รักษาศีลดีเนี่ยนะจะต้องเห็นโทษของการทุศีลและก็เห็นอ น, นิสง์ของการรักษาศีลทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเจตนาแห่งการฆ่าโทษคืออะไรอกุศลเกิดขึ้นอย่างหนึง่งสาบแช่งให้ตัวเองอายุสั้นต่อไปชาตินี้ขอให้อายุสั้นชาติต่อตไปก็ขอให้ตกนรกชาติต่อๆไปอีกเกิดที่ใดก็ขอให้ถูกเข็ถูกฆ่าไปทุกภพทุกชาติ เกิดมาถึงเป็นมนุษย์ก็ให้ตายถ้งอยู่ในท้องเป็นต้นอนานะสาบแช่งตัวเองลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าปาณาติบาตนี่คือโทษถามว่าอันนี้สอละ่ะถ้าเจตนารักษาชีวิตสัตว์อื่นก็คือเจตนาที่รักษาชีวิตของตัวเองให้ยืนยาวต่อไปสมาถารักษาเจตนาเจตนาตัวนั้ น, เ, นเป็นเจตนาที่เป็นศีลและเจตนาตัวนี้นควบคุมกายวาจาไม่ให้เกลื่อนกลนกระจัดกระจายต้องไปฆ่าเขา แล้วก็รองรับคุณธรรมชั้นสูงรองรับเมตตาเป็นต้นเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตรรองรับเมตตาสุขิโนโวาเคมิโนโหนโตขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถอะถ้าเรามีเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเมตตาเขาเจริญไม่ยากเมตตาเหล่านั้นที่เจริญไม่ยาก โทสะระงับลงไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นปรารบว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่น้อยนะแต่ที่เราโกรธนะชีวิตของคนอื่นมันก็น้อยอยู่แล้วนะแต่เราอยากให้น้อยอย่างยุงนี่มันอายุกี่วันเองไหมแม้เราก็เสือกสายไล่ส่งให้มันตายเร็วกว่านั้นไปอีกแต่ถ้าเรามีอะโทสะเกิดขึ้นมีเมตตาเกิดขึ้นเราก็รู้เลยจริงๆแล้วชีวิตเขาก็น้อยเหลือเกินนี่เรายังจะใจดําขนาดให้สั้นลงไปกว่านั้นอีกหรือ แล้วเราเองเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็อายุน้อยเหลือเกินยังจะสาบแช่งเพื่อเข็นข้าตัวเองให้สั้นลงไปกว่า น, นั้นอีกหรือเมตตก็จะเกิดกรุณาก็จะเกิดถ้าเห็นผู้อื่นมีอายุยืนมีความสุขยาวนานเราก็มุทิตาเป็นถ้าหากว่าเรามีเจตนาในการรักษาศีลว่าเราให้ชีวิตเป็นทานลักษณะของศีนนี่ก็เป็นทานชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอภัยทานเว้นจากปานาติบาตนั้นเป็นอภัยทาน รักษาศีลตัวนี้ให้ดีๆแล้วก็รองรับคุณธรรมคือเมตตารองรับสมถะและวิปัสสนาต่อไปได้สรุปว่าสัตว์อื่นทุกชีวิตเราได้ประโยชน์คือศีลอันนี้สงหรือกําไรของเราก็คือศีลเพราะเรารักษาศีลการรักษาศีลชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยรักษาตัวเองนะขณะที่เราสมาทานศีลก็คือรักษากุศลเจตนาที่เป็นศีลของ ตัวเองขณะเดียวกัน s, ก็รักษาชีวิตของสัตว์อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยชื่อว่าไม่เบียดเบรียนตนด้วยไม่เบียดเบรียนผู้อื่นด้วยเมื่อใดเนาจะเห็นว่าความคิดอันนี้เป็นสาระความคิดอันนี้เป็นทรัพย์ความคิดอันนี้ที่เป็นสิ่งที่ควรพอกพูนควรคิดให้บ่อยควรระลึกถึงให้มากว่านี่คือทรัพย์ของเรานะนี่คือสาระของเรานะ บางคนเนี่ยชอบระลึกถึงศีลแค่หลายๆวันครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าไม่เห็นว่าศีลเป็นสาระใช่ไหมแล้วคนที่นึกถึงศีลได้วันละครั้งล่ะก็ยังมองว่าศีลไม่ค่อยเป็นสาระอยู่ดีจะต้องระลึกแค่ไหนล่ะก็ระลึกจนก ว, ว่าชีวิตของสัตว์อื่นทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์แห่งศีลของเราเมื่อใดที่เราปรารบถึงชีวิตของสัตว์อื่นเราก็เห็นศีลของเราก็เจริญกุศลศีลเหล่านี้ให้บ่อยให้มาก ไม่ควรเจริญครั้งเดียวเจริญจนคู่ควรแก่รองรับคุณธรรมชั้นสูงได้เจริญจนคู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลแค่ไหนจึงจะพอตอนนี้บอกว่าโลกิยะศีลและโลกุตระศีลต้องเจริญเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยแค่ไหนเอาแค่ว่าเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเพราะถ้าเป็นพระโสดาบันและเจตนาที่จะเอาชีวิตสัตว์อื่นไม่มี ไม่มีแม้กระทั่งความคิดจากหล่าป้ายายถึงพฤติกรรมเล่าเพราะอะไรเพราะเจตนาที่เว้นเจตนาที่ปรารบศีลเนี่ยมีกาลังจนถึงขนาดว่าถ้าคุณฆ่าไก่จะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าคุณไม่ฆ่าไก่จะฆ่าคุณก็เลือกรักษาศีลนะนะไม่ได้เลือกยอมถูกฆ่าแต่ขอเลือกรักษาศีลไม่ฆ่าไก่แต่ถ้าเลือกยอมตายอาจจะน้อยใจเสียใจใช่ไหม แม่เพราะศีลแท้เลยตัวฉันต้องตายแต่นี่เข้าบอกว่าคุณจะฆ่าไก่ถ้าคุณไม่ฆ่าไก่ฉันจะฆ่าคุณเราเลือก อ, อะไรเลือกเอาศีลขอรักษาศีลเถอะถ้าเจตนาแรงกล้าสมท า, านได้อย่างนี้ขอศีลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อให้เกิดโสดาปฏิมาถ้าโสดาปฏิมาเกิดขึ้นแล้วศีลที่เป็นโลกุตระเกิดขึ้นชีวิตของสัตว์อื่นปลอดภัยหมดเลยจะไม่มีเวรมีภัยมาจากเรา เราจะไม่ให้เวรไม่ให้ภัยแก่สัตว์อื่นไม่ให้เวรไม่ให้ภัยแก่ตัวเองด้วยก็ขอให้สมาทานถือเอาศีลศีลที่ว่าเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นสาระเธอมันถ้าเรารักษาศีลตัวนี้ได้นะลดความเดือดร้อนของเราเองเนี่ยเยอะมากใครที่รักษากุศลเจตนาตัวนี้เอาไว้มากๆจะได้เครื่องปลื้มใจที่หาได้ยากเป็นเครื่องปลื้มใจที่เรียกว่าทรัพย์ปลื้มใจจริงๆเลยถ้าใครรักษากุศลเจตนาเหล่านี้ได้บ่อย แต่ใหม่ๆก็ยากหน่อยนะแต่ว่าถ้าทําได้นานๆทําได้ระยะยาวมีศีลยั่งยืนมีศีลยาวนานเป็นการเพิ่มอริยทรัพย์คือศีลให้เราเนี่ยบ่อยๆขึ้นอันอย่าเบื่อหน่ายที่จะระลึกถึงกุศลศีลเหล่านี้ให้ระลึกได้บ่อยๆก็ดีประลบชีวิตอื่นเมื่อไหร่ก็นึกถึงศีนของของตนต่อไปรักษาศีลข้อที่สองในรักษายัางไงสรุป ทรัพย์สินของผู้อื่นแก้วแหวนเงินทองของผู้อื่นคือศินของเราเพราะเราอะไรเรามีเจตนาเว้นจากการถือเอาทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของเขาทั้งหมดด้วยอธินาทานเจตนาจะไม่ขอเอาโดยทุจริตกรรมด้วยเถยเจตนาเจตนาที่ลักขโมยเป็นต้นเพราะฉะนั้นทรัพย์ของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นเถิดขอเขาจงเป็นผู้มีทรัพย์ยั่งยืน เพราะเรารักษากุศลเจตนาตัวนี้สมาทานรักษาเจตนาศีลตัวนี้ว่าเราจะไม่เกลื่อนกลนวุ่นวายในการลักขโมยปล้นจีดทุจริตเอาทรัพย์สินของเขาโดยวิธีใดโดยวิธีหนึ่งทรัพย์ของผู้อื่นก็จงเป็นของผู้อื่นถ้าเราประสงค์จะเอาของเขาจริงก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนตามกติกาไปตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นไปแต่ว่าด้วยเจตนาที่ ถือเอาโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยทุจริตกรรมเนี่ยเราไม่ขอประพฤติล่วงแบบนั้นเพราะถ้าเจตนาที่คิดเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้โดยเจตนาแห่งความเป็นขโมยอันนั้นเท่ากับโทษของเขาคืออะไรนะโทษคือสาปแช่งให้ตัวเองถ้ามีรถก็รถประสบอุบัติเหตุมีบ้านก็ถูกไฟไหม้มีนาก็น้ำท่วมเป็นต้นมีสัตว์เลี้ยงให้ตายโรคระบาดให้หมดอย่างนี้ นั่นแหละเท่ากับสาบแช่งตัวเองไว้อย่างนั้นเกิดชาติหน้าก็ให้เป็นทุกขตะเข็นใจหาแต่ผ้านุ่งห่มไม่พอตัวหาอาหารกินด้วยความทุกขยากลำบากชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเกิดมาอย่าได้ยินคำว่ามีเลยทุกอย่างไม่มีหมดเลยใช่ั้มมีเงินไหมไม่เกิดมาเนี่ยคำที่พูดมากที่สุดคือคำว่ามไม่ไม่มีมันนั่นแหละคือเจตนาที่ทุจริคตคดโกงถือเอาทรัพย์ของผู้อื่น คือถ้าหากว่าเรามีวิจารณญาณมองชีวิตเนี่ยนะมองให้มันยาวๆมองให้มันนานๆมองทั้งชาตินี้มองชาติหน้ามองหลายๆชาติตามเจตนากรรมเนี่ยว่าเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่สองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถ้าเรามองให้มันยาวไกลเนี่ยเราถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นหนึ่งครั้งเนี่ยสาบแช่งให้ตัวเองตกยากหลายสิบชาติด้วยกัน กลายเป็นผู้ที่มีทรัพย์ก็รักษาทรัพย์ไม่ได้เราก็คงเห็นมามากแล้วใช่ไหมผู้ที่มีทรัพย์แล้วก็ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ได้เสียหายด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยอยากได้รถมากชั่วชีวิตเนี่ยไปผ่อนรถมาใช้ได้ไม่กี่วันประสบวุัติเหตุหมดตัวอะไอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทําให้ทรัพย์ไม่ยั่งยืนเพราะเหตุไกลคือการทุีลเพราะถ้าอย่างคนที่เกิดมาทุกข์ยากในโลกนี้เนี่ยเราเห็นเลย ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยอย่างหนึ่งด้วยอัินาทานเจตนานี่อย่างหนึ่งและด้วยไม่ให้ทานเนี่ยอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลสองประการเนี่ยทำให้เกิดมาไร้โผะไร้พ่อทรัพย์ทําอะไรก็ถึงแต่ความล่มจมหมดทําอะไรก็ถึงแต่ความวิบัติพินาศย่อยยับไปหมดเลยเพราะไม่รักษาเจตนาศีลเหล่านี้เอาไว้ให้ดีถ้าเรารักษาเจตนาศีลเหล่านี้เอาไว้ให้ดีเนี่ยเป็นเหตุให้ พ่อข้าศัพย์ยั่งยืนทั้งพบนี้และพบต่อๆไปแล้วก็ศีลตัวนี้เป็นเหตุให้เจริญด้วยอริยทรัพย์คือศีลก็จะเกิดขึ้นพ่อพูนอริยทรัพย์คือศีลสรุปว่าแก้วแหวนเงินทองของผู้อื่นแต่เป็นศีลของเราเราขอสมาทานเจตนาที่จะงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือด้วยอธินาทานเจตนา ก็รักษาอริยทรัพย์อันนี้เอาไว้ให้ดีสมาทานที่จะประพฤติอริยทรัพย์เหล่านี้เอาไว้ให้ดีอันนี้เป็นการรักษาศีลของเราศีลเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราสมาทานศีลบ่อยๆเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เป็นประตูอบายสําหรับเราเพราะเราละลึกถึงทรัพย์ของผู้อื่นก็นึกถึงศีลของเราด้วยปัญสีเลนะสุขติยันติจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผู้มีศีลจึงไปสุขติ เพราะนึกถึงทรัพย์ผู้อื่นเมื่อใดก็นึกถึงศีลของตนได้เห็นทรัพย์ของผู้อื่นก็ละลึกถึงศีลของตนพันเห็นดอกไม้ของคนอื่นก็เป็นศีลของเราอีกอยู่ดีเห็นเสื้อผ้าคนอื่นเห็นสตังของคนอื่นก็ยังเป็นศีลของเราเพราะมีสตังผู้อื่นเป็นอารมณ์เราก็ไปดีได้เพราะนึกถึงศีลของตัวเองได้ขอให้ตั้งใจสมท า, านรักษากุศลเจตนาก็มีคาถามว่าเรานึกข้างเดียวพอไหมนึกกับทรัพย์คนเดียวพอไหม ไม่พอกับทรัพย์ทุกคนด้วยนะสมาทานที่จะรักษาศีลในทรัพย์ของทุกๆคนเลยอันมีแว่นตานาฬิกาเข้าของเครื่องใช้คนอื่นเท่าไหร่ก็มีศีลของตัวเองเท่านั้นเนี่ยนะและรักษาศีลไม่เหมือนใช่พวกเด็กๆนะเคยเห็นเด็กๆสมัยก่อนตามโรงเรียนทั่วๆไปไหมเห็นปากกาดินสอคนอื่นเมื่อไหร่ก็ทุศีลนะเพราะนึกจะเอาของเขาได้ยังไงแต่คนที่มีศีลเนี่ยนะโอ้จะช่วยปกปักรักษาทรัพย์ศีลของผู้อื่น ได้อย่างไรเนี่ยนะให้ทรัพย์สินของผู้อื่นยืนยาวนานท้สินข้อที่3เนี่ยนะที่เราต้องสมาทานรักษาเอาไว้บ่อยๆก็คือนึกถึงอะไรการเมสุมิจฉาจารใช่ไหมถ้าผู้ชายก็คือบุตรภริยาของผู้อื่นทั้งหมดเนี่ยให้ความปลอดภัยในบุตรภริยาของผู้อื่นทั้งหมดถ้าผู้หญิงก็คือผู้หญิงเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีเจ้าของกับกลุ่มที่ไม่มีเจ้าของ แรีว่ามีสามีกับไม่มีสามีสามีรวมทั้งคู่มั่นด้วยเจ้าของแปลว่าสามีเนี่ยนะรวมทั้งมีคู่มั่นเป็นต้นด้วยหรือจับตัวตีตราจองแบบโบราณ น, นะกษัตริย์เป็นต้นเขาจะหมายไว้อย่างนี้นเป็นต้นเพราะะนนั้ถ้ามีเจ้าของแบบนี้แล้วก็ไม่ไปผิดกับชายอื่นอันนั้นแหละเรียกว่าเจตนาชายอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ของศีลของผู้หญิงเหล่านั้นถ้าผู้ชายนะผู้ชายคิดง่ายๆว่าเว้นเมียตัวเองซะผู้หญิงอื่นนะนะั่นเป็น บุคคลต้องห้ามหมดเลยเป็นอารมณ์ของศีลทั้งหมดเลยนั้นก็สมาทานรักษาแต่ถ้าไม่สมาทานนะั้ประตูอาบายก็เปิดอยู่แถวๆนั้นนะวันเห็นบุตรภรยาผู้อื่นเนี่ยประตูอาบายเปิดตรงนั้นถ้าเจตนาจะทุศีลถ้ารักษาศีลก็บุคคลเหล่านั้นก็เป็นบันไดสวรรค์และประตูนิพพานแห่งเราทั้งหลายวันเราก็ระลึกถึงศีลอันนี้ว่าเราขอสมาทานเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในการมเหล่านี้ไม่ขอล่วมกับชายอื่น ถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่ขอร่วงกับชายอื่นถ้าเป็นผู้ชายไม่ขอร่วงกับบุตรภริยาของผู้อื่นรักษาเจตนาอันนี้เอาไว้ให้ดีเรียกว่ารักษาเศษทางกายนี่เขาบอกว่ามันยาบทำได้ยากถ้าจะร่วงร่วงไดยยากแต่ก็ไม่ค่อยรักษาเจตนาเหล่านั้นจริงถ้ารักษาเจตนาเหล่านั้นจริงๆให้บ่อยๆนี่ก็ศีษจะมั่นคงจริงๆ น, น, นะพยายามระลึกให้บ่อยๆศีษจะได้ดีและศีลจะได้มั่นคง ถ้าศีลดีมั่นคงเนี่ยรักษาศีนันนี้จนให้โสดาปฏิมาเกิดถ้าโสดาปฏิมาเกิดเมื่อใดศีลมั่นคงแน่นอนต้องรักษาเจตนาอย่างน้อยสามตัวนี้ก่อนให้คู่ควรแก่โสดาปฏิมาเพราะการเจริญเจตนาเว้นจากการฆ่ารักษาเจตนาเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้รักษาเจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในการมรักษาให้คู่ควรแก่โสดาปฏิมา เรียกว่าโลกิยาศีลให้สมควรแก่โลกุตระศีลถ้าโสดาปฏิมักเกิดแล้วศีลเราจะมั่นคงและยั่งยืนอันนี้แหละเรียกว่าการเจริญสัมมากัมมันตะเป็นการเจริญสัมมากัมมันตะซึ่งโดยมากแล้วไม่ค่อยคิดจะเจริญสัมมากัมมันตะใช่ไหมเน้นไปเจริญอะไรอย่างอื่นแทนไม่ค่อยเน้นเจริญสัมมากัมมันตะถ้าเจริญสัมมากัมมันตะก็คือเจริญกุศลจิตที่มี ชีวิตผู้อื่นเป็นอารมณ์เจริญกุศลจิตที่มีทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นอารมณ์เจริญกุศลจิตที่มีเพศตรงข้ามเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็รักษาเจตนาเหล่านี้ให้เจตนาเหล่านี้สมควรแก่โสดาปติมภคในบรรดามักแปดก็คือเจริญสัมมากัมมันตะเหล่านี้ให้ดีนี้ต่อไปถ้าเราจะเจริญสัมมาวาจาเจริญว่ายังไงสัมมาวาจาทุกอย่างในโลกนี่นะเชื่อไหมคนนี่อาศัยไว้หลอกกันหมดเลย สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รู้สิ่งที่ทราบเอาไว้หลอกกันเกือบทุกเรื่องเลยนะเกิดมาเด็กๆเนี่ยจะถูกหลอกบ่อยใะแม่นั่นแหละหลอกกันนะเดี๋ยวผีมาแล้วอะไรเงี้ยนะถูกหลอกใครที่เลี้ยงลูกเนี่ยหลอกลูกทั้งวันเลยนะบางคนนะทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการพูดเท็จที่สําคัญก็ต้องทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องพูดแต่ความจริงคําว่าพูดความจริงเนี่ยรวมถึงไม่พูดด้วยเหมือนกันนะ บางอย่างถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าพูดแต่ถ้าจะพูดสิ่งที่พูดต้องเป็นความจริงถ้าสิ่งนั้นถ้าพูดแล้วตัวเองเสียหายผู้อื่นเสียหายอา้าวแล้วทําไมเราต้องพูดอ่ะใช่ไหมความจริงเนี่ยต้องดูว่าจริงนะตัวเองเสียหายไม่ลา่าถ้าพูดแล้วผู้อื่นเสียหายไหมสําคัญเนี่ยอยู่สองอย่างนั้นนั้นถ้าเราจะพูดขอพูดแต่ความจริงถ้าจริงตัวเองเสียหายผู้อื่นเสียหายไม่พูดจะกล่าวไปใหญ่ถึงคําเท็จ ก็สมาทานที่จะรักษาเจตนาเพราะคําพูดจะต้องพูดให้คู่ควรแก่โสดาปติมภ์พูดยังไงเจตนาที่พูดถึงสิ่งต่างๆให้สมควรแก่การเป็นพระโสดาบันบางคนเนี่ยพูดคําสัตย์คําจริงแต่คําจริงที่พูดแล้วคนอื่นเขาแตกแยกกันเช่นเอาความเลวของบางคนมาพูดเพื่อให้อีกคนนี้เขาไม่ชอบพอกันกลายเป็นคนที่รู้ความเลวของผู้อื่นมากที่สุดน้อยเอามาให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ คนนั้นเขาจะได้เลิกมองหน้ากันสักทีอันนี้ก็เจตนานี้เรียกว่าส่อเสียดลักษณะของเจตนาส่อเสียดมีอยู่สองอย่างคือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รักของเขาเพราะฉะนั้นจะต้องพูดไอ้ความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งให้มากถ้ารังเกยียจฝั่งโน้นเขาก็จะมาชอบฝั่งนี้อันนี้เจตนาที่หนึ่งของส่อเสียดอย่างที่สองสองคนนี้จะได้แตกกันสักทีในวงการบางกลุ่มโดยมากเนี่ยพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันราวรานกันทั้งห้องกันแหละ ศึกษาธรรมะบางกลุ่มก็ไม่รู้ศึกษากันยังไงศึกษาไปศึกษามาความสามาัคคีไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเพราะทุกคนจะมีความเลวของแต่ละฝ่ายหมดเลยก็คนเราก็คุย อ, อยู่กับคนมีกิเลสมันก็เลวเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ว่าเอาความเลวมาพูดซะจนมองหน้ากันไม่ติดเขาก็เลวปกติของเขานั่นแหละแต่ว่าเริ่มเอาไปเอามากลายเป็นว่ามองหน้ากันไม่สนิทใจเพราะอะไรก็เพราะปิสุนาวาจาเนี่แหละส่อเสียด พันโทษของการส่อเสียดถ้าส่อเสียดหรือพูดให้เขาแตกแยกกันที่ใดเกิดชาติใดปางใดก็แตกมิดหมดมีเพื่อนก็แตกจากเพื่อนมีญาติก็แตกจากญาติถ้ามีลูกน้องลูกน้องก็ทะเละแตกแยกกันไปหมดนั่นคือโทษของการส่อเสียดนั้นสิ่งที่เราพูดนี้เขาสามัคคีกันไหมสิ่งนั้นถึงจะเป็นความจริงถ้าเราพูดแล้วเขาแตกแยกกันเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยที่จะพูด ประโยชน์ตัวเองก็ไม่มีประโยชน์ของเขาก็ไม่มีเพราะนั้นโดยเฉพาะถ้าไปส่อเสียดให้สงแตกแยกกันเนี่ยนะอันนี้อนันตริยกรรมตกนรกไม่มีระหว่างขั้นแต่ถ้าไปพูดให้คนมีศีลเขาแตกแยกกันอะไรจะเกิดขึ้นอิสิธาสีในอนดีตชาติเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงที่เป็นลูกของนายกองเกวีย น, เ, นยเป็นคนจนช้ยนี่เขาไม่หมดนะเขาเลยเอาลูกสาวไปพอไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ย สามีกับภรรยาของเขาเนี่ยปกติเขารักกันดีมากและเมียของเขาคนเก่าเนี่ยเป็นคนมีศีลดีมากเลยตัวเองเนี่ยเป็นเมียน้อยเนี่ยไปก็ยุยงให้สามีภรรยาเขาแตกกันแตกแยกกันเพราะฉะนั้นชาติหลังมาเนี่ยตัวเองไปอยู่บ้านใดก็เดือนเดียวนี่ก็ถูกทิ้งละขนาดที่เรียกว่าถ้ามีเธออยู่บ้านนี้ก็ต้องไม่มีฉันถ้ามีฉันก็ต้องไม่มีเธอนะีมันต้องเอาขนาดนั้นเลยมีสามีกี่คนเนี่ยแตกแยก อันนั่นโทษของการส่อเสียดนี่ขณะกับคนใกล้ชิดที่สุดยังแตกแยกจะกล่าวไปยายถึงคนอื่นกลายเป็นว่าเป็นคนที่ทำอะไรพร้อมที่จะแตกแยกทั้งหมดนั่นคือโทษของการส่อเสียดไอ้ส่อเสียดกับเสียดสีนี่ใกล้กันไหมบางอย่างก็ใกล้บางอย่างก็ไม่ใกล้เสียดสีนี่ก็คือลักษณะคำหยาบบางอย่างแต่ถ้าส่อเสียดนี่ก็คือพูดให้เขาแตกแยกกันเน้นว่าให้เขาแตกแยกกัน คือบางคนเนี่ยนะบางทีก็ไอความโง่เขาเนี่ไม่รู้หรอกว่าพูดแล้วเขาจะแตกแยกกันบางทีมันก็ต้องระวังให้ดีๆนะบางทีเราเนี่ยอาจจะเจตนาที่จะว่านินทานะพวกนินทาทั้งหลายเนี่ยคือกลุ่มคําพูดที่ก่อให้เกิดการแตกแยกกันแล้วคนเนี่ยมันแปลกว่าอยู่กันสองคนแต่ชอบพูดถึงคนที่สามพูดให้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แก้เขาก็ไม่ได้แก่เราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามันน้ําลายตัวเองนั่นแหละกลื่นเบ็ดเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะ พูดถึงบุคคลที่สามด้วยอกุศลจิตก็พูดหนึ่งคำกลืนเบ็ดหนึ่งทีพูดหนึ่งคำก็กลืนเบ็ดหนึ่งทีพอพูดเสร็จเนี่ยลิ้นแทบจะหลุดหมดนา น, นั้นเพราะนั่นแหละมิจฉาวาจานะเขาเรียกว่านินทาผู้อื่นพูดถึงบุคคลที่สามแล้วโดยมาจะไม่พูดด้วยเมตตาด้วยนะพูดถึงความเลวสักอย่างหนึ่งของเขาจนได้เพราะเราเก่งมากเลยเรารู้ความเลวคนอื่นอะ่ะเันความสามารถเฉพาะตัวที่ทําให้เราไกลดิพานขึ้น มันระวังให้ดีๆเลยว่าการพูดถึงบุคคลที่สามนี่อันตรายที่สุดถ้าพูดด้วยขาดเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังโดยเฉพาะขาดเมตตาวจีกรรมรับหลังเสียหายมากเสียหายแค่ไหนวาจาเหล่านั้นนี่แหละทาให้เราเนี่ยกลายเป็นคนแตกแยกจากมิตรมีมิตรเราก็แตกแยกชาตินี้เราก็แตกจากมิตรชาติต่อๆไปเราก็แตกจากมิตรปัญหาว่าแตกจากกัลยาณมิตรนี่สิขอมาสาธุ กรรมตัวนั้นถ้ามันให้ผลก็ให้แตกจากปาปามิตรแต่ไม่ใช่เนยมันจะต้องแตกจากกัญญาณในมิตรนี่สิน่าเสียใจนะเนีสมมุติว่าเราไปนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเกิดบาปมันให้ผลแล้วทให้แตกแยกจากพระพุทธเจ้าเลิกนับถือพระองค์เนี่ยถามว่าวาสนาหรือเคราะห์ร้ายเคราะหรายที่สุดเลยนะได้ไปอยู่กับผู้มีศีลมีธรรมแล้วก็ไปแตกจากผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยเสียหายมากสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์พระมหากระสปะมีรูปหนึ่งเดี๋ยวข้างหน้าก็อาจจะมีเรียนถึง แตกแยกจากพรามหากระส ป, ปะแตกแยกถึงขนาดว่าพระ ก, กุติอาจาร์นะนบางคนนี่ที่แตกแยกจากผู้มีศีลในขณะเดียวกันประทุสร้ายผู้มีศีลด้วยวาจาด้วยประทุสร้ายผู้มีศีลทางกายด้วยแล้วถามว่ามันเคราะหร้ายขนาดไหนถ้าไปทำกับผู้มีศีลพรานซอเสียดนี่มันเป็นตัวร้ายทำให้อุปนิสัยตัวนั้นะ่ะมีขึ้นแล้วตัวเองไปที่ไหนก็ถูกเขาหวาดระแวงตลอดไปอยู่ณนะจุดใดก็ ถูกคนอื่นเขาหวาดระแวงถูกคนอื่นเขาเกรงกลัวรังเกยียจโดยไร้เหตุผลเนี่ยอันนี้คือโทษของการส่อเสียดมั้นส่อเสียดนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงต่อจากพูดเท็จส่อเสียดและคําที่สก็คือคําหยาบคําหยาบเนี่หมายว่าพูดเฉือยใจของเขาให้เขาลําบากใจคําพูดที่ตัดความเยืดใหญ่อะ่ะลักษณะนั้นเรียกว่าคําหยาบถ้อยคํานั้นจะฟังเพราะขนาดไหนก็ตามมีโกนอาบอะไรก็ช่างเถอะ จะอาบยาพิษอาบน้ําผึ้งอาบอะไรก็ช่างขอให้คําพูดที่คนอื่นฟังแล้วเดือดร้อนใจเนี่ยนี่คำหยาบหมดทั้งคาพูดนั้นจะจริงหรือไม่จริงจะพูดส่อเสียดหรือไม่ส่อเสียดก็ตามพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนใจลําบากใจมากอันนั้นเป็นคำหยาบแต่ไม่ใช่ลักษณะคําพูดประเภทจะสอนนะถ้าหากว่าเป็นคําพูดต้องกาให้เขาเจ็บจริงๆอันนั้นแหะคำหยาบ แต่ถ้าคำพูดประสงค์จะแนะนำตักเตือนสอนแล้วเอาไปเจ็บเองอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะอยาบหรือไม่หยาบอยู่ที่เจตนาต้องการให้เขาเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้เจ็บลึกๆที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้อันนี้หยาบแน่แต่ถ้าประสงค์จะแนะนำเขาแล้วเขาโกรธเองเขาเจ็บเองถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับเอายาไปทาคนมีแผลคนมีแผลก็เจ็บเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้เจตนาให้เจ็บต้องการให้เขาดี แต่ทีนี้เนื่องจากเขาเนี่ยเลววันเวลาแนะนำไปแล้วเขาเสียใจอันนี้ก็ไม่ใช่เจตนาของเราวันเจตนาเนี่ยที่เว้นจากคำหยาบ ก, ก็คือเนี่ยคำพูดที่ทำให้เกิดการตัดความรักเนี่ยที่เรียกว่าคำหยาบเนี่ยพูดถึงอะไรชาติตระกูลรูปร่างผิวพรรณวิทยาฐานะศิลปะทรัพย์สินโรคภยัยอะไรเป็นต้นเนี่ยคำพูดประเภทนี้สร้างความตัดเยื่อใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคาพูดที่เหมือนกับ เอาก้านบัวนี่แย่เข้าไปในหูก้านบัวนี่เลื่นไหมแต่ปุ่มตะปั่มมากได้ยินที่หูแต่เจ็บถึงใจอย่างนี้ใช่ไหมคําพูดประเภทนี้เรียกว่าคำหยาบ ก, ก็เสียดสีก็กลุ่มเดียวกับคําหยาบแต่ถ้าพูดเพื่อจะเล่นเล่นเนี่ยนะเรียกว่าทุพพสิทธทางพระเนี่ยถ้าพูดแบบกระทบพูดคขำขำสนุกสนุกไปะนะเย้าคนนั้นหยอกคนนี้ให้เขา้าไอๆเล่นๆนะลักษณะนั้นะนะก็เรียกคำพูดประเภททุพาษิตธ์คำพูดที่ใช้ไม่ได้คําพูดชั่วนะ คำพูดที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะต้องระวังรักษาคําพูดคือถ้าหากว่าเรารักษาศีลดีๆทําไมเราจะต้องไปเปื้อนบาปกับทุกเรื่องเข้าล่ะบางทีความเลวของคนอื่นเราก็ได้บาปมาอีกเราก็ไปเที่ยวขอบาปเข้ามาทุกเรื่องไปหมดนี่ไม่ไมไมดีเพราะฉะนั้นก็สมาทานรักษาเจตนาอันนี้แล้วก็เพอ์เจอร์ก็คือพูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพอ์เจอร์เนี่ยคือเราเดรชานกระถาทั้งหลายเป็นคําพูดที่ขวางอะไรเอ่ยเดราชานแปลว่าขวางขวางอะไร ขวางสวรรค์กับขวางนิพพานเดรชาณกถาก็คือขวางสวรรค์กับขวางนิพพานเพราะถ้าเพื่อเจออยู่ดีๆแล้วตายลงระหว่างนั้นอะไรจะเกิดไปไหนดีนั่นแหะขวางสวรรค์ขวางนิพพานนั่นแหะเรียกว่าพวกกลุ่มเพื่อเจอทั้งหลายสมทานกุศลเจตนาศีลเหล่านี้ทุกอย่างที่เราจะพูดถึงพูดหนึ่งคำเนี่ยเคยเห็นเขาต่อรองสินค้าไหมใครเคยซื้อขายสินค้าแล้วต่อรองบ้าง กลัวมากเลยนะพูดพลาดแล้วจะต้องเสียเงินเพิ่มระวังเต็มทีเลยใช่ไหมพูดเนี่ยหมดหลายตังกันเนี่ยคาพูดถ้าพูดผิดเนี่ยต้องจ่ายแพงมากเลยใช่ระวังมากเลยที่จะต่อรองสินค้าแม้แต่จะนิดหนึ่งกลัวจะเสียบาทสองบาทสิบบาทร้อยหมื่นแสนเป็นต้นเลยนะระวังดูแลแจเลยนะพูดยังไงที่ตัวเองไม่ยอมเสียหายชั้นใดก็ดีเมื่อใดที่เราเห็นศีนเนี่ยมีคุณค่าเท่ากับต่อรองราคา ท่านจะพูดถึงสิ่งใดกลัวเสียสินของตัวเองก่อนใหม่ๆเนี่ยนะมันจะ อ, นอึดอัดบ้างเวลาพูดแต่ถ้าฝึกไปจนชำนาญมีความสุขมากที่ตัวเองพูดแล้วไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องเปลืองใจไม่ต้องเปลืองอริยทรัพย์มันก็ฝึกใช้ให้เป็นใครที่ฝึกใช้วาจาเหล่านี้เป็นคนนั้นจะมีความสุขพูดแล้วไม่ต้องอึดอัดในวันหลังบางคนเนี่ยพูดจบแล้วเหงื่อแตกพักพูดทาไมพูดให้มันเป็นอะไร ก็สมาทานรักษาเจตนาเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่ารักษาศีลพูดจนกว่าจะคู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลต้องใช้วาจาให้มันสมควรแบบนั้นไม่งั้นพูดไปพูดมาเดี๋ยวก็มานั่งอึดอัดพันพูดหนึ่งคำเนี่ยนะมันก็ทุศีลไปถ้าหากว่าเราพูดสิ่งนั้นอ่ะถ้าเข้าประกอบด้วยองค์สีประการเพราันซัพ์คือศีลเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมาก พั้นสัมมาวาจาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เป็นมรคหนึ่งองค์ที่จะทําให้บรรลุพระ涅槃เป็นประตูแห่งพระนิพานนั้นการใช้คําเนี่ยสำคัญมากต้องใช้คําให้คู่ควรแก่การเป็นพระอริยเจ้าเขาเรียกว่าเป็นผู้อบรมวาจาฝึกที่จะใช้วาจาให้เป็นวาจาทุกคําที่พูดแล้วต้องได้อริยทรัพย์พูดหนึ่งคำต้องได้อริยทรัพย์หนึ่งครั้งวันหนึ่งเราพูดวาละกี่คําเสียทรัพย์หรือได้ทรัพย์ ก็วันหนึ่งเนี่ยใช้อริยทรัพย์เปลืองมากเลยนะเกือบหมดตัวนะจริงๆอ่ะดีไม่จุติตอนนั้นจุติตอนนั้นก็หมดตัวแน่พยายามศึกษาการใช้วาจาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าให้ศึกษาในการใช้วาจาการศึกษาในการใช้วาจาใช้วาจาให้สมควรแก่การบรรลุมรรคผลนี่เขาเรียกว่าเจริญสัมมาวาจา อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละใช้วาจาถ้าใช้เป็นทุกคําที่เราพูดทุกครั้งที่เราพูดได้บุญหมดเลยแล้ววันหนึ่งถ้าเราพูดเป็นหมื่นคำเนี่ยนะเราก็ได้ศีลเป็นหมื่นครั้งใช่ไหมถ้าเราพูดเป็นระ ล, ลึกถึงศีลของเราไว้ตลอดบางคนก็บอกว่าจะให้ฉันพูดว่ายังไงเพราะฉันต้องทํามาหากินเนี่ยเขาต้องทํามาหากินแล้วจะให้เขาพูดคำสัตว์คำจริงได้ยังไง ไม่ต้องห่วงครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามักอีกอันหนึ่งที่จะทําให้บรรลุพระนิพพานได้ก็คือสัมมาอาชีวะถึงประกอบอาชีพก็เธอทําไมเราต้องทําให้มันขัดต่อสวรรค์และขัดต่อประตูแห่งพระนิพพานด้วยล่ะพันก็ต้องพยายามใช้วาจามไม่ให้ขัดกับทางสวรรค์และประตูแห่งพระนิพพานเพราะอย่างว่าเราก็คงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าโลกนี้เราคงอยู่ได้อีกกันก็ไม่นานสักเท่าไหร่ นานที่สุดนี่เหลืออีกคนละกี่ปีในห้องเรานี่เหลือถึงร้อยปีกันบ้างไหมเนี่ยไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยทำไมเราจะต้องใช้คำแล้วถามว่าหลังจากร้อยปีไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนคะ น, นี่ท่านก็น่ากลัวนะในการใช้วาจานั้นวาจาเนี่ยนะท่าทางกายทําดีวาจาทําดีอาชีพก็จะบริสุทธิ์พระพุทธเจ้านี่แสดงสัมมาอาชีวะเป็นลําดับต่อมาเพราะอาชีพนี้เป็นตัวที่สําคัญมาก จะบรรลุมรรคผลหรือไม่อยู่ตรงนั้นด้วยก็อย่างที่ว่าถ้าบรรลุมรรคผลก็พ้นจากทุกข์ใช่ไหมถ้าเป็นพระโสดาบันก็พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนารกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แค่เจ็ดครั้งเองแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นพระโสดาบันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคิดดูนะว่ามรรคแปดสัม 8, สมาวาจาสัมมากรมันตสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ามา สี่อสงไขยแสนกลับจึงจะได้รู้ว่านี้ก็หนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานพยายามฝึกศึกษาพฤติกรรมทางกายและวาจาให้คู่ควรแก่การบรรลุธรรมนั้นโดยเฉพาะการใช้วาจาเนี่ยนะแวดวงของคนศึกษาธรรมะเนี่ยเขามาอยากให้ระวังเป็นพิเศษให้ใช้เมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังไม่อย่างนั้นเนี่ยขาดทุนชีวิตมากเลย เพราะว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเราพูดด้วยกุศลต่อผู้มีศีลเสมอถ้าเราพูดด้วยอกุศ ล, ลจิตต่อผู้มีศีลอะไรจะเกิดขึ้นเขาดีเขาไม่ดีมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปรักษาศีลให้เขาพาะเราเนี่ยเราต้องศึกษาตัวเองให้ดีๆนะพูดแล้วขาดทุนชีวิตไหมนั้นถ้าพูดมิจฉาวาจารหนึ่งครั้งเนี่ยเขามาว่าหนักกว่าฟันหลุดไปหนึ่งซี่ด้วยซ้าไปมันมีโทษยิ่งกว่านั้น พูดแล้วตัวเองขวางต่อสวรรค์พูดแล้วตัวเองขวางต่อพระนิพพานเนี่ยนะพูดแล้วไลต่อพระนิพพานอันนั้นเป็นความเสียหายของเราเพราะนั้นพยายามสมาทานที่จะใช้สัมมาวาจาคิดดูด้วยกันพระพูดหนึ่งครั้งทุศีนหนึ่งทีพูดหนึ่งครั้งมีศีนหนึ่งทีเนี่ยนะจะเอาศีนหรือจะเอาทุศีลถ้าพูดหนึ่งครั้งเป็นมิจฉาวาจาอันนี้ทุศีนถ้าพูดหนึ่งครั้งเป็นสัมมาวาจาเป็นศีลถ้าพูดชั่วหนึ่งครั้งก็ไกลนิพพานเข้าไปทุกที ถ้าพูดดีหนึ่งคำก็ใกล้นี้ผ่านสรุปเราจะพูดไหนถ้าหากว่าพูดดีคำชั่วคำก็เหมือนหมายว่าเดินไปหนึ่งก้าวแล้วถอยหนึ่งก้าวเดินหนึ่งก้าวถอยหนึ่งก้าวก็สรุปก็อยู่กับที่แล้วก็ร่วงไปสู่อับอายคนเนี่ยนะถ้าพูดดีกับพูดชั่วพูดเท่ากันเนี่ยใครจะนึกถึงอะไรก่อนใจเนี่ยจะนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงความชั่วก่อนถ้าเราพูดเท่ากันนะสมมติวันเนี้ยพูดธรรมะครึ่งวันกับด่าคนครึ่งวันเนี่ยนะสรุปเราจะนึกถึงคําที่ไม่ดี หรือเราตำหนิคนอื่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในบาปปกติใจของสัตว์ทั้งหลายโดยมากยินดีในบาปเมื่อยินดีในบาปคําดีเนี่ยสมมติเราสวดมนต์มาครึ่งวันอย่างเงี้ยนะสรนเสริญพระพุทธคุณอ่ะนะเสร็จแล้วไปพูดบางอย่างนะจำแต่คําเหล่านั้นอ่ะได้สมมติวสวดมนต์ถูก20ครั้งนะพูดสวดผิดอยู่หนึ่งคำนะไอ้คาที่พูดผิดนั่นแหละเอามาเอามาไว้เป็นโจ๊กพูดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะท่าน เราเนี่ยมีปกติยินดีในบาปก็เลยขาดทุนอริยทรัพย์เนี่ยมากมายอริยทรัพย์คือศีลเป็นต้นเมื่อไม่มีกรรมสกตาปัญญาพอก็เลยนึกว่าไม่มีโทษไม่สังวรที่จะใช้คำพูดถ้าไม่ปฏิบัติเคร่งครัดสังวรก็เลยไม่มีทรัพย์คือศีลเป็นเครื่องปลื้มใจจะตก ป, ปาลิสุธีศีลก็ไม่ดีถ้าศีลเหล่านี้ไม่ดีคิดหรือว่าจะได้บรรลุมรรคผล ไม่ได้อยู่แล้วถ้าศีลเราไม่ดีเนี่ยก็ไม่สมควรแก่ความพ้นทุกข์ไม่คู่ควรแก่ธรรมที่สุดแห่งทุกขเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยทําให้พ้นจากทุกในบรรดาองแปดสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวสามอย่างเราเนี่ยเป็นศีลที่จะช่วยให้เราพ้นทุกเราสมาทานไว้เลยสมาทานแล้วตั้งไว้ว่าขอศีลที่เราสมาทาน ทั้งกายสุจเรตวจีสุจริตเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยให้บรรลุอริยมรรคเถิดศีลอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานรักษาศีลอันนี้ตั้งอุปนิสัยเพื่อบรรลุมรรคผลตั้งความปรารถนาไว้ชอบรักษากุศลศีลทุกครั้งก็ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลถามว่าเอา้าปรารถนาให้เกิดในสุขคติล่ะอันนี้ส่งฆ์องศีลตรงๆให้เกิดในสุขคติโดยธรรมชาติของตัวเขาเองอยู่แล้ว คนที่รักษาศีลอย่างเช่นเว้นจากปานาติบาตเกิดในสุขติแล้วอายุยืนรักษาศีลข้อที่สองเกิดในสุขติแล้วทรัพย์สีนไม่เสียหายโภคะไม่เสียหายถ้าหากว่ารักษาศีลข้อที่สามเกิดในสุขติแล้วไม่มีศัตรูมากเป็นที่รักของมหาชนเพราะคนทุศีลข้อนี้เนี่ยเป็นที่รังเกียจของมหาชนนะทีนี้ถ้าหากว่าใช่วาจาที่ดีละ่ะก็เป็นที่เชื่อถือแห่ง มหาชนถ้ารักษาศีลข้อที่5สติปัญญาก็ดีเกิดชาติใดปางใดก็ฉลาดมีปัญญาดีมันก็รักษาศีลให้ดีๆนะเพราะว่าศีลเหล่านี้เกื้อกูลแก่มรรคผลคําพูดที่พูดถึงโทษแห่งความทุศีลพูดถึงอั น, นิสงส์ของการรักษาศีลว่ารักษาศีลเนี่ยเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าศีละกะถาอันนี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุ การฟังกระถาวัตถุคือการฟังเรื่องศีลเป็นเหตุที่จะทําให้บรรลุมรรคผลได้ทั้นก็พยายามปรารบถึงศีลศีลเหล่านี้เนี่ยนะก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่าศีล น, นํามาซึ่งอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจถ้ารักษาศีลดีก็จ ะ, จะไม่เดือดร้อนใจสังเกตดูนะถ้าเราฟังเรื่องศีลและเราเครียดหรือไม่ค่อยสบายใจรู้เลยเลยว่าศีลเราไม่ดีพื้นฐานเนี่ยให้ทวนได้เลยว่าศีลเราไม่ดีเป็นแน่ คำพูดที่ปรารบศีลเป็นคำชั่วของคนทุศีลคนทุศีลไม่ชอบเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฤๅษีกลุ่มหนึ่งจาริกไปที่แวดแควนแวดแค ว, น, แวนหนึ่งพอจาริกไปถึงนั้นแล้วพระราชาก็มาเฝ้าคือชาวบ้านเนี่ยก็จะมาหาฤๅษีนะอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยพระราชาก็เลยบอกว่าเออจะขอไปด้วยก็เลยให้ประชาชนนี่รอพระราชาพระราชาก็เลยเข้าไปเฝ้าพร้อมกับมหาชนมาก เราก็เลยเชิญฤาษีให้กล่าวท ร, รมรรคาก็ไดฤาษีหนุ่มคนหนึ่งมาแสดงทีงนี้ก็บอกเออธรรมดาก็ควรแสดงเรื่องศีลก็พูดถึงโทษของการทุศีลข้อที่หนึ่งอา น, นิสงส์ของการรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็แสดงไปอย่างนี้ทุกข้อพระราชาเนี่ยฟังนี่โกรธมากเลยโอ้นี่เราอุตส่าห์ให้เกียรติพวกมันนะอุตส่าห์มานั่งใกล้มันนะนี่มันด่าเราตลอดเลยนะเนี่ย ก็พระราชาองค์นั้นเนี่ยมีปกติชอบข่าสั่งข่าอยู่เป็นปกติใช่ไหมและชีวิตชอบล่าสัตว์นี่มันด่าแต่เราเลยนะเนี่ยเป็นพระราชาที่ชอบริบทรัพย์ของผู้อื่นหาเรื่องนะถ้ามีคนที่ไม่ถูกใจก็ริบทรัพย์ผู้อื่นนี่มันก็ด่าเราว่าเราคดโกงอีกลูกเมียชาวบ้านเขาเนี่ยโหถ้าชอบแล้วก็เสร็จหมดอนะนี่มันก็ด่าเราข้อสามอีกเพราะพูดคำหยาวแล้วขี้เมามันว่าเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอุตส่าห์ให้เกียรติเข้ามาหามันนะ มันเล่นงานเราขนาดเดียเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้กันก็เลยสั่งบอกนีมนท่านฤาษีทั้งหมดไปฉันที่พระราชวังแม่แคร์มากเลยวันนั้นนะเครียดกลับไปถึงวังสั่งให้คนเนี่ยไปตักอุจระใส่ตุ่มเลยเป็น ส, สิบสิบตุ่มเลยแล้วก็ให้พวกนักมวยปล้ำตัว บ, กบึกเนี่ยมารอแล้วก็เอาสุนัขที่กัดนักโทษเนี่ยมาขังไว้ไปหาน้ำมามาเตรียมโปรยถึงเวลาเชา้าฤาษีก็สํารวมระวังอย่างดีจะมาฉันทที่พระราชนิเวศ พอมาถึงปั๊บก็บอกว่าเมื่อวานฉันให้เกียรติพวกแกอุตสาห์เข้าไปหาพวกแกนะแกนั่งด่าฉันอย่างเดียวเลยนั่งด่าฉันตอนหน้าสาธารณชนเมื่อวานนี่กนั่งด่าฉันคนเดียวเพราะพระราชาไม่มีสินเลยสักข้องแกเนี่ยสมควรจะกินอุจจาระไม่สมควรจะฉันเข้าหรอกก็เลยให้เปิดตุ่มที่ตักนะเนี่ยไปกินพวกนี้ซะพอไม่กินไม่กินทหารก็เลยซัดคนละตุป้ปสองตู้ก็เดินไปเหยียบน้ําก็กลิ้งลงไปนะพันผ้าม้าก็มากัดรุมถึงตาย ห, หมดเลย คำพูดปราบศีลเป็นคำชั่วของผู้ทุศีลใครที่ฟังเรื่องศีลไม่สบายใจก็กลุ่มนั้นแหละหลังจากนั้นไม่นานฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาโอ้โหข่ารือศีนี่ได้ดีเลยนะฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาประชาชนก็ออกแถวๆนั้นนะพวกนั้นก็มาเก็บเงินเก็บทองเพราะฝนเงินฝนทองตกมาดีใจมากหลังจากนั้นมาก็ฝนดาบฝนหอกฝนอะไรก็เริ่มตกลงมาไม่นานก็ฝนพวกขี้เท่ามาจนถึงกับฝนสายเนี่ย กลบแถวนั้นจนเป็นทะเลทรายตอนหลังก็เป็นป่าเป็นป่าที่พระราชาทุศีลตายแล้วก็ไปอเวจีกันเกลี้ยงหมดเลยมันโทษของการทูศีลเนี่ยมันเสียหายหนังที่กล่าวไปนะทัว่วในครั้งว่าคําพูดของคนตารบศีลคนทูศีลไม่ชอบเพราะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยนะก็ต้องเลือกที่เหมือนกันนะของมาเลือกแล้วนะเนี่ยไ่พูดเรียราย่าหรอกนไะเดี๋ยวเขาว่าเอา ถามว่อาอ้ากลัวตายเลยบอกไม่ใช่กลัวจะรักษาศีลได้ไม่นานยังเสียดายที่จะเจริญเรื่องศีลต่อไปดีกว่าศีลกถานะพูดถึงโทษของการทุศีลอันนี้สงของการรักษาศีลที่จริงถ้าเรามานั่งภูมิใจกันสักเล็กน้อยที่เรามีชีวิตอายุยืนยาวนานเนี่ยนี่เป็นผลศีลข้อที่หนึ่งที่เรารักษา ม, มาที่เรามีพวกข้ัพย์ทุกวันจนมีเวลาได้ฟังธรรมเป็นต้นก็เพราะเรา มีศีลข้อที่สองไปที่ไหนคนก็ไม่รังเกียจก็ต้อนรับเชื่อเชิญไม่ถึงกับปิดป้ายห้ามอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผลศีลของที่สามใครก็พูดกับเราดีๆแสดงว่าศีลข้อที่สี่เราดีเราก็มีสติมีปัญญาฟังทำรู้เรื่องแสดงว่าศีลข้อห้าเราดีพันศีลเหล่านี้เนี่ยนะปกปักรักษาเราขนาดนี้ความสุขเหล่านี้เป็นผลของศีลของเราแล้วทําไมเราต้องประทุษร้ายศีลของเราด้วยละ่ะก็รักษาศีลของเราวให้ดีๆนี่ทําว่า สมาธิกถาคำพูดที่ปรารบสมาธิก็คือสมาบัตแปดพร้อมทั้งอุปจาระที่เป็นบาทแห่งวิปัสนาชื่อว่าโลกิยะสมาธิส่วนสมาธิที่สัมปยุตด้วยมรคลชื่อว่าโลกุตระสมาธิคำพูดถึงโทษของความฟุ้งซ่านแสดงอนิสงของการมีอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิและสมาธิเหล่านั้นเป็นบาทแห่งอริยมรคเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสนาอันนั้นเรียกว่าสมาธิกถา ก็ควรเอามาพูดเช่น อ, อะไรเมตตากถาคําพูดที่ปราลบเมตตาก็เป็นสมาธิกถานะเพราะว่ากรรมฐานที่จะทําให้เกิดสมาธิคืออะไรก็กรรมฐาน40่นั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอุปจารสมาธิคําพูดที่ก่อให้เกิดอัปปนาสมาธิที่ได้ฌานหนึ่งสองสามสและวฌานเหล่านั้นเป็นบาทเป็นต้นคําพูดที่ปรารบสมาธิเหล่านั้นที่เป็นบาทแห่งวิปัสนาเป็นต้นคําพูดนั้นเรียกว่าสมาธิกถา ก็ควรที่จะพูดถึงคำพูดที่พูดแล้วใจไม่ฟุ้งซ่านคำพูดที่พูดแล้วไม่ฟุ้งซ่านพูดแล้วจิตนี่น้อมไปเพื่อความสงบเรียกว่าสมาธิกถาคำพูดที่ชวนให้เจริญฌานเจริญสมะถะทำให้จิตสงบประงับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตถึงความตั้งมั่นเป็นเอกขตาจิตที่เป็นบาตแห่งสติและปัญญาอันนี้แหละเป็นสมาธิกถาที่เราควรเอามาพูดกัน คำพูดที่ปรารบเนคคำมัวิตกอัพยาบาววิตกเพราะว่าสมาธิเนี่ยนะองค์ที่จะทําให้เกิดสมาธิตั้งมั่นเนี่ยคืออะไรวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาจึงจะทํากิจถ้ากุศลวิตกไม่เกิดกุศลวิจารณไม่เกิดปีติในกุศลธรรมไม่เกิดความสุขในกุศลธรรมไม่มีแล้วสมาธิจะเกิดได้ยังไงเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคําพูดต้องเป็นไปกับกุศลวิตกกุศลวิจารณ ปีติที่เกิดจากการเจริญกุศลธรรมจนความสุขที่เกิดจากการเจริญกุศลธรรมวิตกวิจารณ์ปีติสุขเหล่านี้นี่แหละเท่เป็นองค์ให้เอกคตาเนี่ยทำกิจมันสมาธิเนี่ยมันเหมือนอย่างว่าวิตกวิจารณ์ปีติเนี่ยนะเหมือนกับเก้าอี้สขาใช่ไหมเอกคตาเหมือนคนนั่งอยู่ข้างบนนะถ้าหากว่าขาใดขาหนึ่งมันไม่ดีอะนะขาผุๆสักอันหนึ่งลนะ่ะนั่งข้างบนจะนั่งอย่างมีความสุขไหม ไม่เชื่ออย่างเก้าอี้สีข่ขาของเราเนี่ยขามันเปื่อยสักขาหนึ่งดัอะไรจะเกิดขาผุสักขาหนึ่งนะเดี๋ยวก็นั่งไปแล้วก็แผลลงเลยใช่ไหมชั้นใดก็ดีสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นก็อาศัยวิตกวิจารณปีติและความสุขคําพูดใดที่ก่อให้เกิดกุศลวิตกกุศลวิจารณปีติที่เป็นไปในกุศลธรรมความสุขในกุศลธรรมคาพูดเหล่านั้นนี่แหละทำให้เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คืออนุสติสิบกษินสิบอสุภาษิบ พรหมวิหารสี่อสุภาสมาบัตาธาสี่เป็นต้นหรืออรูปฌานสี่คำพูดเหล่านี้เนี่ยเกื้อกูลต่อสมาธิสมาธิเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบาทแห่งการเจริญปัญญาเนี่ยนะทีนี้ปัญญาบ้างปัญญาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระปัญญาตรงนี้ท่านแบ่งเป็นปัญญาที่เป็นโลกิยะก็คือสุตตมยะปัญญาจินตามยะปัญญาแล้วก็วิปัสนาปัญญา ปัญญากรถาก็คือทิฏฐิวิสุทธิอทนะเอาทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามัคคายานัทสนาวิสุท ธ, ธิปฏิปทายานทัทสนาวิสุทธิ